ยิ้มของเธอมันช่างหวานเธอยิ้มให้กันแบบนั้นไม่ความวางไงสายตาเธอมันช่างสึงแบบนี้ก็คงต้องคิดว่าเธอมีใจเธอรักกันเธอยังไม่ทันได้พูดรอง ที่เห็นคนดูจะมความอย่างนั้นเดาวใจไววแล้วว่าธอรักเธอแบบที่ฉันรักเพียรถูกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้นช่วยบอกสักนิดทุกเรื่องที่คิดทุกเรื่องที่ฝืนรงใจเธอนั้นไม่ใช่แค่ ฉันเพิ่งก็คิดว่าไม่เขาข้างตัวเองมากไปเธอไม่บอกไม่เป็นไรที่ฉันเดาใจก็คิดว่าคงไกลเคียงเธวรักกันเธ อ, อยยงไม่ท่ันได้พูดรอง ใจไว้แล้วว่าเธอรักฉันแบบที่ฉันรักปิดทุกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้นเธอบอกสัก ันคงไม่ผิดไปเดาวใจไวแล้วว่าเธารักฉันแบบที่ฉันรักปิดถุกไม่รู้คนเดียวที่รู้คือเธอเท่านั้นฉับอกเธอ